วิธีแก้จริต6ราคะจริตแก้โดวยวิธีพิจารณาอาสุภกรรมฐานโทสะจริตแก้ด้วยการเจริญเมตตาพรหมวิหารโมหะจริตแก้ด้วยการศึกษาไต่าถามการเจริญสติวิตกจริตแก้ด้วยบริกรรมภาวนาศรัทธาจริต แก้ด้วยการศึกษาด้วยการภาวนาพุท ธ, ธิจริตแก้ด้วยการเจริญปัญญาอาทิตตบริยายาสูตรดูก่อนภิกสุจากคุงพิกเเวอาทิตตังตาเป็นไฟรู ป, ปาอาทิตตารูปก็เป็นไฟมันเป็นไฟเพราะอะไรพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายสัมผัสใจนึกคิดมันเกิดราคะความกำหนัดย้อมใจแล้วมันก็เกิดความร้อนสิ่งใดที่ใจมันรักมันชอบมันก็เกิดร้อนใจมันร้อนใจเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อย่างใจโทสะจริตโทสะเกิดขึ้นมันก็ร้อนใจมันร้อนเพราะอะไรมันอยากทำลายโมหจริตโมหะเกิดขึ้นมันก็ร้อนใจ มันร้อนใจเพราะมันไปหลงไปติดไปข้องอยู่นั่น